บุ๊ก <Book> 2 43ส <43 S 2> ี่สิบสามที่สวนสัตว์สวนสัตว์อยู่ที่นั่นตามเยอปาร์กยีราฟอยู่ตรงนั้น ทั и и. มีอยู่ที่ไหนดย์เวดดช้างอยู่ที่ไหนเดย์สลนงูอยู่ที่ไหนเด Е ์เสมิยสิงโตอยู่ที่ไหนเดย์เยเ ที่ฉันมีกล้องถ่ายรูปยามายูฟอโต้อะปาราตฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วยยามายูทาโกชวิดีโเมเรูี่ฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหนเดเยแบตเตอร์เรียนกเพ่นกวินอยู่ที่ไหนเดยนวน จิงโจ้อยู่ที่ไหนไดเดย์แคนฮูรูแรดอยู่ที่ไหนเดยโนโซโรเฮ ห, ห้องน้ำอยู่ที่ไหนเดยยตัวเลตมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นตามเย่กาแฟมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น ตามเยร с สต р а ัอูดอยู่ที่ไหนเดเ в е р б л ю д ดกอริล่าและม้าลายอยู่ที่ไหน ДЕ Є ย о р и л и І ЗЕБРИ เสือและจระเข้อยู่ที่ไหนเด Є т ต г р и І к р о к о д и ด и